หลังจากที่ข่าพรรษามาได้เกือบร้อยวันนะสามเดือนก็มาถึงวันนี้วันออกพรรษาสำหรับชาวบ้านนะก็ดูเหมือนว่าเป็นงานรื่นเริงนะเพราะว่าจุดประทัดกันนี่ตั้งแต่ก่อนออกพรรษายิ่งวันนี้นี่ก็จุดประทัดกันใหญ่เลยนะเหมือนว่าเป็นงานรื่นเริงนะจริงวันออกพรรษาก็ไม่ค่อยมีความสาคัญสาหรับชาวบ้านเท่าไหร่นะอย่างมากก็เป็นแค่วันหยุดนะ แต่ก็เป็นโอกาสในการที่จะได้มาทำบุญความรื่นเริงของชาวบ้านนะก็อาจจะเป็นเพราะว่ายินดีนะพระสงฆ์สา ม, มนเณรแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัตินะได้เพียบมาตลอดสามเดือนทวนตามที่ได้ทิ่ฐานไว้เความดีที่ได้ทำก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะก็เลยเหมือนกับว่าเฉลิมฉลองนะแต่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่สำหรับพวกเราซึ่งเป็นพระหรือแม่ชีนะ าจะระเหนือนักปฏิบัตนะิที่มาจับพรรษาด้วยออกพรรษาก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนะเพราะว่าการปฏิบัติการใช้ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าการเดินทางนะก็สะดวกขึ้นแต่ก่อนในช่วงข้าพรรษาจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนักนะไปได้นะไม่เกินเจดวันแต่ว่า ออกภาษาแล้วนะก็ไม่มีข้อกาหนดแบบนั้นนะความหมายของออกภาษาก็คงมีเพียงเท่านี้แหละนะมันก็เป็นเรื่องสมมุตินะก็คือว่าเมื่อมีเข้าภาษาก็มีออกนะถึงไม่อยากจะออกก็ต้องออกอยู่วันยังค่ำนะเพราะว่ามันเป็นสมมุตินะเหมือนก็ปีใหม่เนี่ยนะอีกไม่นานก็จะขึ้นปีใหม่แม้ว่าจะรักปีเก่าปีห้าแปดอย่างไรเมื่อถึงปีห้าเก้านะมันก็ต้องไปนะ ก็ต้องลาทิ้งปีห้าแปดไปไม่อยากทิ้งก็ต้องทิ้งนะเพราะว่าการเวลามันก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อยนะเหมือนสายน้ำนะออกพรรษาก็เหมือนกันนะถึงแม้ไม่อยากออกนะก็ต้องออกนะอยู่วันยังค่านะเพราะว่ามีการกำหนดไว้อย่างนั้นนะอันนี้เราเป็นสมมุตินะแต่ว่า สาหรับชีวิตของนักบวชนะจะเป็นพระหรือแม่ชีออกพรรษาก็ยังเหมือนเดิมนะชีวิตไม่ได้แตกต่างจากช่วงเข้าพรรษาเท่าไหร่นะในแง่ข้อวัดนะก็ยังเหมือนเดิมต้องมีต้องมาร่วมทำวัสดมนนะถ้าเป็นพระก็มีศีล2องยข้อที่ต้องปฏิบัติรักษาเอาไว้ไม่ใช่ว่าออกพรรษาแล้วก็จะย่อหย่อนนะอนุญาตให้อ่าทิ้งศีลได้ออกจากศีลได้ ออกจากวินัยได้ชั่วคราวก็ไม่มีนะแม่ชีก็เหมือนกันนะออกพรรษาแล้วก็ยังต้องรักษาสิน8ศินสินะไม่ใช่ว่าออกพรรษาแล้วก็จะออกจากสีลนะที่ยิงญาติโยมไวเช่นเดียวกันนะออกพรรษาแล้วนะก็ไม่ได้แปลว่าออกจากสีนนะสินห้าที่รักษาไว้นะก็ต้องสมาทานต่อแต่ว่าคนที่ที่ถือสิน8นะก็อาจจะออกจากสีล8 แต่ก็ไม่ได้ทิ้งศีลข้อใดเลยนะก็กลับมาสมาทานศีลห้าใหมนะ่ผู้ง่ายคือว่าออกภรรษาแล้วนี่เรา <c oughs> ก็ยังไม่ควรออกจากธรรมะนะออกพรรษานี่มันเป็นเรื่องของสมมุตินะมีเวลาที่กำหนดแน่นอนว่าวันนี้คือวันออกพรรษานะแต่ว่าการออกจากธรรมะนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ นะตราบไดที่ยังเป็นชาวพุทธหรือว่ายังเป็นมนุษย์อยู่นะก็ยังต้องมีธรรมะต้องอยู่ในธรรมจะออกจากธรรมก็ต่อเมื่อออกจากความเป็นมนุษย์นะออกจากความเป็นมนุษย์เมื่อไหรนะ่นะจะไปเป็นเปรตอสุรกายหรือว่าเดรัจฉานี่ก็ถึงจนะออกจากธรรมะแต่แต่าบใที่ยังอยากจะเป็นมนุษย์อยู่นะนะก็ยังต้องทรงจิตทรงใจหรือว่า รวมทั้งกายวาจาให้อยู่ในธรรมะด้วยนะอยู่ในธรรมะเนะี่ยหมายความว่าอย่างไรนะก็หมายความว่าอยู่ในทานอยู่ในศีลอยู่ในภาวนานะธรรมะนี่เป็นคํากว้างๆนะถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็จําแนกได้เป็นทานศีลภาวนาก็หมายความว่าเราก็ยังควรบําเพ็ญทานต่อไปนะทานก็คือการให้สิ่งของหรือการช่วยเหลือด้วยสิ่งของ จะเป็นข้าวปลาอาหารจะเป็นเงินทองก็แล้วแต่ทำกับใครให้กับใครก็เป็นฐานในทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่ า, าจะถวายให้กับพระเท่านั้นนะและชาวผู้นี่เราก็ไม่ได้เลือกว่าจะต้องให้ทานกับพระหรือว่าทาบุญกับพระกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคนที่ถึงแม้ไม่ตกทุกข์ได้ยากนะแต่ว่าควรมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเผ่ อ, พอแพ่นะ อันนี้ก็ควรทำนะ เ, ออเฟื่อเฟือด้วยทานด้วยสิ่งของแม้กระทั่งสัตว์นะก็ไม่ควรมองข้ามนะการให้ทานกับสัตว์หรือการทำบุญกับสัตว์ก็เป็นสิ่งที่ควรทำถึงแม้ว่าอา น, นิสงส์นะที่ให้ทานกับสัตว์จะน้อยกว่าให้ทานกับคนหรือว่าให้ทานกับคฤหัตอา น, นิสงส์ก็น้อยกว่าการให้ทานกับพระนะแต่ว่าเวลาเราจะ ทำบุญให้ทานก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยคิดมากว่าเนี่ยว่ า, าให้ให้ทานกับคนดีกว่านะอย่าไปให้ทานกับสัตว์เลยอ น, นิสง์ได้น้อยนะคิดแบบนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าคิดหวังผลนะเหมือนการซื้อหุ้นนะซื้อว่าจะดูหุ้นตัวไหนจะซื้อหุ้นตัวไหนก็ดูว่าหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าก็เลยซื้อหุ้นตัวนั้นแต่ว่าการ การทำบุญให้ทานเนี่ยอย่าไปคิดแบบนั้นเห็นคนหรือสัตว์เดือดร้อนเฉพาะหน้าก็ก็ให้ไปเลยถ้าใครที่มาคิดและคิดน้อยว่าโอ้ให้กับคนสู้ให้กับพระไม่ได้ให้กับพระสู้ให้กับพระริยาเจ้าไม่ได้หรือว่าให้กับสัตว์สู้ให้กับคนไม่ได้เนี่ยทั้งที่ก็เห็นสัตว์เดือดร้อนต่อหน้าต่อตาหรือว่าเห็นคนเดือดร้อนนะก็ต้องช่วยทันทีนะ อย่าไปคิดมากนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองนะก็ทรงเป็นตัวแบบอย่างหรือพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสูดบบ้เป็นพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นแบบอย่างมาแล้วนะบางทีไม่ใช่แค่ให้ทานเท่านั้นนะไม่ใช่ให้ทานด้วยสิ่งของอาหารนะบางทีให้ทั้งชีวิตเลยนะอย่าง ม, มีมีชาตินึงนะสมัยที่พระโพธิสัตว์เป็นฤาษีเห็นเข้าไปในป่าเห็นสัตว์ เห็นแม่เสือพึ่ง อ, ออกลูกมามันหิวมากมันก็กำลังจะขย่ำกินลูกเสือกินลูกของมันนั่นแหละเป็นอาหารเพราะมันหิวท่านก็ไปพยายามหาอาหารให้ลูกเสือไปหาอาหารแต่รอแล้วรออีกก็ยังไม่กลับมาแม่เสือก็กำลังจะกินลูกของมันท่านอยากจะช่วยชีวิตลูกเสือไว้นะก็เลยนะโดดไปให้เสือกินซะเลย นะถ้าไม่ได้คิดและคิดน้อยโอ้เราถ้าสละชีวิตให้เสื อ, อ น, นี่มันได้ประโยชน์น้อยได้อ น, นิสงน้อยนะสู้สละชีวิตให้กับประเทศชาติบ้านเมืองดีกว่านะหรือว่าสละชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าดีกว่าอันนี้ได้บุญมากนี่ยถ้าไม่ได้คิดแบบนั้นนะคือว่าเห็นใครเดือดร้อนเฉพาะหน้าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามก็พร้อมจะช่วยทันทีนะแม้จะสละชีวิตให้ก็ทําได้ แต่เราไม่ต้องถึงไม่ไม่เป็นต้องทำถึงขนาดนั้นนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ช่วยด้วยวัตถุด้วยสิ่งของนะขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเนี่ยอย่าดูถูกนะไม่ว่าทำกับใครมันก็มีอนิสงส์ทั้งนั้นนะอย่าไปคิดว่าอ๋อทำกับสัตว์มีอนิสงส์น้อยไม่ทำทากับคนดีกว่านะนคิดแบบนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าแม้กระทั่งการทำบุญกับกับสัตว์เนี่ย ก็อาจจะมีอันนีส่งมากอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้ที่ประเทศศรีลังกานี่มีผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่ตรงอยู่ในเมืองที่ติด ก, กับทะเลเลยทะเลอินมหาสมุทรอินเดียใต้สุดของเกาะศรีลังกาแล้วก็ใกล้ๆทะเลนี่ก็มีมีทะเลสาบนะทะเลสาบเล็กๆ อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินทุกวันนี่หนุ่มคนนี้ก็จะเอาอาหารไปเลี้ยงปลานะปลาหม่ก็มากินทุกวันทาไปทาไปปรากฏว่าวันหลังก็มีจระเข้ตัวหนึ่งมาขอร่วมวงด้วยชายหนุ่มคนนี้ก็ให้นะขนมปังบ้างข้าวบ้างก็มีคนบอกว่าให้ทำไมจระเข้มันสัตว์ดุร้ายนะ แต่ว่าชายคนนี้ก็ไม่สนใจก็ถือว่าให้ปลาแล้วก็ให้จระเข้นะไม่ได้เสียหายอะไรแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะวันที่16ธันวาคม47นะนะเราคงจำได้นะวันนี้สำคัญยังไงนะมันคือวันที่เกิดเทศนสึนาะมนะิซนี่สึนามิเกิดขึ้นที่บ้านเราคนตายไป 5,000 กว่าคนคลื่นนี่มันซัดไปถึงโนนนะพะมาะ่าแล้วก็ลังกา ไปถึงรังกาคงจะประมาณบ่ายๆนะปพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยโดนคลื่นสีเรมิซัดคลื่นมันสูงมากสูงหลายเมตรเนี่ยทีแรกก็ซัดเข้าฝั่งก่อนเสร็จแล้วคลื่นมันก็ล่าถอยลงมาน้ํานี่มันก็พาเอาชายคนเนี้ออกทะเลไปเลยนะความเร็วนี่มันสูงมากนะแกก็พยายามที่จะคว้าโน่นคว้านี่เห็นมันเห็นเก้าอี้ก็คว้าเก้าอี้เก้าอี้ก็แตกเห็นท่อนไม้ก็คว้าบอกว่าก็หลุดมือ แล้วขณะที่กําลังถูกคลื่นซัดออกไปนะที่หมหาสมุทรก็บังเกิดเห็นท่อนไม้นะท่อนไม้ท่อนหนึ่งก็เลยโดยสัญชาตญาณก็ค ว, ว้าไปก่อนนะพอคว้าไว้แล้วเนี่ยก็ทําให้พอจะหายพอจะขึ้นพอจะชูคอขึ้นมาหายใจได้บ้างระหว่างที่คว้าแน่นนะก็สังเกตว่าเอ้ไม้ท่อนอื่นเนี่ยมันเล่นออกทะเลแต่ว่าไอ้ไม้ท่อนนี้นี่มันกลับ เข้าหาฝั่งก็แปลกใจนะมันแล่นทวนน้ำได้ยังไงพอใกล้ฝังก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่ทอนไม้มันคือจระจระแค่ตัวเดียวกับที่เขาเคยให้อาหารนั่นแหละนะ ก, ก็การว่ารอดตายเพราะจระเข้หรือผู้อีกอื่นก็คือรอดตายเพราะว่าทานนะที่เคยทําไวนะ้กับสัตว์เดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งการให้ทานกษัตริย์เดรัจฉานนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะจะสูญเปล่านะหรือว่า จะมีคุณค่าน้อยนะจะดูถูกไม่ได้นอกจากทานแล้วก็ศีลออกรรษาแล้วก็ยังต้องอยู่ในศีลนะศีลในที่นี้นี่นะในความหมายนะที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ว่าไม่ทำานวนไม่ทำนี้เท่านั้นนะยังมีความหมายรวมถึงว่าควรทำสิ่งดีๆ ด, ด้วยเช่นศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยยังหมายถึงความเ อ, อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่ด้วย นะสิ่งข้อที่สองเนี่ยนอกจากหมายความถึงการไม่ลักทรัพย์แล้วก็ยังรวมถึงการมีสัมมาชีวะมีอาชีพที่ถูกต้องและยิ่งเป็นอาชีพที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมนะก็ยิ่งดีเขึยย้นไปใหญ่ข้อที่สมเนี่ยนอกจากจะหมายถึงการไม่ประพฤติดในกาไม่นอกใจคู่รักคู่ครองของตัวแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงการมีความพอใจในคู่ครองของตัว ความพอใจเนี่ยคงไม่ใช่พอใจในเรื่องทางเพศนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยการเวลาผ่านไปมันก็มันก็จืดจางลงนะแต่ว่าควรหนึ่งควรหมายถึงความพอใจในน้ําจิตน้ําใจในคุณงามความดีของกันและกันนะเพราะแม้ว่าร่างกายจะแปลเปลี่ยนไปจะจากหนุ่มจากสาวเป็นเท่าหรือชรา นะแต่ว่าความดีที่ผูกใจก็ทําให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเกิดความพอใจในคู่ครองตัวถ้าไม่พอใจในคู่ครองตัวแล้วเนี่ยมันก็ถือสินข้อนี้ยากนะก็ต้องทําด้วยความอดกลั้นอดกลั้นไปนานๆก็อดไม่ไหวนะก็ก็ละเมิดผิดศินได้นะสมัยนี้มันผิดได้ง่ายด้วยเพราะว่าสิ่งล่อเราเย้ายวนมีเยอะนะนถ้าไม่มีความพอใจใน นี่ก็ผิดสิงข้อสามง่ายมากก้อยสก็คือนะนอกจากจะไม่โกหกแล้วเนี่ยก็ต้องมีความซื่อตรงรักสัจจะนะเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องสัจจะเท่าไหร่นะบางทีก็โกหกนะเอาตัวรอดไปเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้ารักสัจจะได้เนี่ยนะถือว่าการที่ซื่อตรงการมีสัจจะก็เป็นการทําบุญแบบหนึ่ง ก็ทําให้เราไม่กล้าโกโหกข้อห้าเนี่ยนอกจากจะหมายถึงการไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็รวมถึงการมีสติสัมปชัญญะด้วยรู้จักครองสตินะอย่าทําอะไรที่มันเป็นการทําลายสติของตัวให้เหล้าอับัยมุ่นี่แหละอับัยมุ่นี่ไม่ได้ไหมายถึงเหล้าอย่างเดียวนะก็หมายถึงการพนันด้วยไอพวกนี้มันก็ทําลายสติเหมือนกันนะเล่นเล่นไพ่นะไม่ว่าจะเล่นไพ่ชนไก่นะ หรือว่าการพนันอย่างใดก็ตามเนี่ยมันทําลายสติได้นะมันทําให้ลืมตัวนะลืมตัวเพราะลืมตัวเนี่ยทำให้คนเป็นหนี้นะเป็นหนี้ล้นพ้นตัวนะจนกระทั่งบางทีต้องไปพ้นไปจี้นะหรือไม่ก็ะทั่งฆ่าตัวตายนะเพราะว่านี่สินเยอะเหลือเกินอะไรทําให้คนเราเนี่ยมันมีหนี้สินกันเป็นล้านนะทั้งที่ เงินเดือนก็มีแค่หลักหมื่นหลักพันเพราะความลืมตัวนะไม่มีสตินั่นเองแล้วการอยู่ในศีลเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ต้องทานะความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลเนี่ยนะมันมีมีผลที่เราไม่ควรนะมองข้ามอย่าว่าแต่การเอื้อเฟื้อด้วยสิ่งของหรือว่าเอื้อเฟื้อด้วยด้วยแรงกายนะ แม้แต่การคิดถึงผู้อื่นนะการคิดถึงผู้อื่นด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะมีผู้ชายคนหนึงแกประสบอุบัติเหตุในะรถยนต์แล้วก็รากว่าไตาวายฉับพลันนะก็มาเข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนะเป็นตายเท่ากันระหว่างที่มีทุกขเวทนาอยู่เนี่ยนะ อยู่โรงพยาบาลนประมาณสองสามวันเนี่ยอยู่ในภาวะโคมา่าโคม่าคือไม่รู้ตัวนะผู้ใจ้านี่บอกว่าเนี่ยมันมีหลายช่วงที่ความรู้สึกอยากจะตายให้ได้นะมันทรมานมากจิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะออกจากร่างเพราะทุกขเวทนามากเหลือเกินนะในช่วงที่จิตมันอยากจะออกจากร่างเนี่ยนะหลายช่วงก็จะรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างแผ่มาที่ตัว และช่วยดึงจิตนั้นให้กลับมาสู่ร่างได้เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งในสุดก็พ้นจากโคม่านะกลับมารู้สึกตัวก็เลยรู้ว่านะช่วงที่ตัวไม่สบายเนี่ยนะอาการหนักเนี่ยก็จะมีหน้าพยาบาลคนหนึ่งมาเยี่ยมเวลาขึ้นเวนเนี่ยก็จะไปเยี่ยมให้กําลังใจคนไข้ทุกเตียงเลยใครที่พูดได้นะใครที่รู้ตัวก็จะพูดให้กําลังใจใครที่ไม่รู้ตัว แกก็จะแผ่เมตตานะแล้วก็บอกว่าขอให้ขอใหอ้หายเจ็บหายป่วยขอให้พ้เจากวทธิ์กฤดเวลามาก็สัมผัสให้กาลังใจเวลาจะกลับนะก็มาให้กาลังใจโวยพรให้พลังเมตตาเนี่ยนะช่วยดึงดึงจิตนะของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็ทำให้ ลอดพน้นจากความเป็นความตายได้แต่ระหว่างที่กลับมาเริ่มรู้สึกตัวเริ่มฟื้นตัวนะก็ยังมีทุกขเวทนานะเพราะว่าร่างกายนี่บอบช้ำเหลือเกินก็มีบางมีช่วงหนึ่งเนี่ยนะความรู้สึกมันรุนแรงมากนะจนกระทั่งจะทนไม่ไหวไอความรู้สึกตอนนั้นมักจะเป็นช่วงตอนกลางคืนนะจะตายให้ได้ให้ช่วงที่ไม่ไหวเนี่ยคนไข้คนคนี้ก็จะนึกถึงพยาบาล ซึกงพยาบาลคนนี้เลยนะว่าถ้าพยาบาลมามาหาเขาตอนเช้าและพบว่าเขาหมดลมแล้วเนี่ยพยาบาลอาจจะไม่สบายใจนะพยาบาลจะนึกโทษตัวเองว่าทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่านะ้ำให้คนไข้ตา ย, ตายก็เลยพยายามรวบรวมกำลังนะเพื่อที่จะอยู่ให้จนถึงเช้าและเมื่อพยาบาลมันก็จะบอกพยาบาลว่าถ้าหากว่าผมต้องตายเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของคุณนะ ไม่ใช่ความผิดของพยาบาลนะตั้งใจจะบอกอย่างนี้นะก็เลยอึดอดนะพยายามสู้จนสามารถจะผ่านวิกฤตไปได้พอถึงตอนเช้าพยาบาลมาเยี่ยมมาหาก็ลืมนะลืมพูดลืมบอกพยาบาลไปพอจบกลางคืนอาการก็กำเริบนะจะตายให้ไดนะ้ตอนนั้นรู้สึกว่าตายง่ายๆก็อยู่แต่ว่าก็ยังไม่อยากตายเพราะอยากจะอยากจะมาบอกพยาบาลว่า มันไม่ใช่ความผิดของคุณนะถ้าผมจะตายเนี่ยก็เลยพยายามสู้นะสู้จนกระทั่งผ่านมาถึงตอนเช้ามาถึงตอนเช้าอาการก็ดีขึ้นเสร็จแล้วก็พอเจอพยาบาลก็ลืมบอกอีกนะเป็นอย่างนอยู่สองสาครั้งนะจนกระทัอาการนี่ก็ร่างกายก็ดีขึ้นตามลําบับในที่สุดก็ออกจากโรงพยาบาลได้หังตอนหลังเนี่ยนะ ชายคนนี้ก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พยาบาลฟังนะเพยาบาลก็ก็เลยมาเล่าให้คุณหมอมารามาลริลาคุณหมอมาราก็เลยมาเล่านะให้ผู้สนใจใฝ่ธรรมได้ฟังนะอันนี้ชื่อเห็นเลยนะว่าชายคนนี้รอดตายได้เพราะอะไรนะทีแรกรอดตายได้เพราะความเมตตากรุณาของพยาบาลแต่ตอนหลังเนี่ยช่วงที่สองเนี่ยรอดตายได้เพราะว่านึกถึง พียาบานไม่อยากให้พยาบาลเสียใจที่ตัวเองตายก็เลยพยายามรวบรวมกาลังสู้กับความเจ็บป่วยถ้าไม่ม้มีถ้าไม่นึกถึงพยาบาลนะถ้าไม่ได้กลัวพียาบาลจะเสียใจตายไปนานแล้วนะอันนี้ก็แสดงนัว่าเพียงแค่นึกถึงผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเนี่ยนะมันก็ทําให้มีกําลังนะในการที่จะเอาชนะนะความตายได้หรือเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ เอาชนะความตายเอาชนะไม่ได้นะแต่ว่าเอาชนะความเจ็บป่วยได้มันอยู่ที่ใจนะอย่างที่เมื่อกี้เราก็สวดนะว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าป่วยหนักแลวใจใจยอมแพ้เนี่ยนะมันก็ไปเลยนะแต่ว่าถ้าใจสู้ใจสู้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองนะชายคนนี้ไม่ได้ทาใจสู้เพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อพราะนึกถึงพยาบาล อยากจะมาบอกพยาบาลให้รู้ว่าตัวเองถ้าจะต้องตายก็ไม่ใช่ความผิดของเธอเนี่ยอันนี้เรียกว่าลึกถึงคนอื่นอันนี้เราอยากท้าทศษฎีแล้วเนี่ยนะที่สำคัญอันหนึ่งก็คือภาวนานะนะพวกเราเนี่ยแม้จะออกพรรษาแล้วก็ทิ้งภาวนาไม่ได้ภาวนาในทีนี้เนี่ยมันภาวนาแต่หลายอย่างแต่ว่าที่สำ ค, คือภาวนาเพื่อสร้างความรู้สึกตัวออพรรษาแล้วเนี่ยนะอย่าให้เราออกจากความรู้สึกตัว จะเป็นพระจะเป็นแม่ชีจะเป็นคารวันก็ตามเนี่ยออกจากความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะก็อันตรายเหล่านั้นนะเพราะว่าเมื่อมีไม่มีความรู้สึกตัวความทุกข์มันครอบงำได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีอะไรที่จะมากระทบกับเราตลอดเวลาทางตาบ้างทางหูบ้างนะอย่างตอนนี้นี่ก็มีเสียงมากระทบหูเราเนยเสียงประทัดนะถ้าเรา ออกจากความรู้สึกตัวนะเราก็จะโกรธนะเราก็จะหงุดหงิดเราก็จะราคาญนะว่าเสียงดังแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะเสียงมันก็ดังมันก็ดังไปนะใจเราไม่ไปต่อร้อต่อเฉียงกับเสียงนั้นนะไม่ไปต่อร้อต่อเฉียงกับคนที่จุดประทัศนะต้องยังมีสติอยู่ได้นะทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นและอยู่ในความรู้สึกตัวนั้นนะหรือจะเรียกว่าอยู่ในสติก็ได้นะ ส่งใจให้อยู่ในสตินะสติเนี่ยหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนบ้านนะเป็นเหมือนอจะเรียกว่าที่ป้องกันเป็นปราสาทนะที่รักษาเราให้ปลอดภัยก็ได้นะออกจากความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะความทุกข์ใจมันก็เข้ามาเล่นงานทันทีออกจากความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะ กิเลสตัณหามันก็ครอบงําจิตแล้วก็สามารถจะทําให้เราพลังเผลอทําความชั่วได้นะ่ถ้าอยากรักษาใจให้ปลอดภัยนะก็ต้องรักษาใจให้อยู่ในความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวมันก็สร้างได้นะด้วยการเจริญ ส, นะสน 4, นะติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐานสนะี่เนี่ยมันคือถิ่นที่อยู่ของเรานะฉันใช้คำว่าถิ่นที่อยู่ของพ่อนะ ถ้าเรามีสติปัฏฐานเนี่ยเรารักษาใจอยู่ในสติปัฏฐานคือรักษาใจไว้ในสติเนี่ยเราก็จะปลอดภัยเหมือนกับอยู่ในถิ่นที่ปลอดภัยผู้เจ้าเคยเปรียบเทียบนะเล่าเป็นนิทานนะว่ามีนกชนิดหนึ่งนะนกตัวหนึ่งชื่อว่านกนกมูลไทยนะนกมูลไทยเนี่ยมันตัวนี้เนี่ยบังเ อ, อิญมาไปหากินนอกถิ่นของมันมันก็เลยถูกเหยียวจับได้ ระหว่างที่เหยื่ยเนี่ยคว้ามันขึ้นทยานขึ้นฟ้าเนี่ยนะนกตัวนี้มันก็ร้องมันก็บ่นว่าเนี่ยเป็นพาะเราหากินนอกถิน่นนะก็เลยต้องเจอเหตุแบบนี้ถ้าเราไม่หากินนอกถิน่นก็ไม่มีทางที่เหยวจะจับเราได้เลยนกมูลถ่บ่นอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะเหยื่อมันก็สงสัยว่า ถิ่งของเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะนกมูลไทยกบ็บอถิ้งของเราอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ชี้ไปที่เนินดินนะที่มันมีมันมีรอยไถเดีย่ยวเนี่ยมันอยากพิสูจน์ว่ามันเก่งนะถึงแม้ว่านกมูลไทยเนี่ยจะอยู่ในถิ่งของตัวก็ไม่มีทางลอดจากเงื้อมือเราได้นะนี่เป็นอาหางกาของเดี่ยว มันก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเนี่ยมันแน่กว่านะถึงแม้ว่านกเนี่ยจะอยู่ในถิ่นของมันของตัวเองก็ไม่มีทางรอดได้ก็เลยเอานกเนี่ยมาปล่อยมาปล่อยตรงมูลไถ่นะเสร็จแล้วพอนกมูลไถเนี่ยนะกลับมาสู่ถิ่นของตัวเองเนี่ยก็ร้องเรียกนะว่าให้ให้เหวี่ยวเนี่ยพุ่งเข้ามาเลยมาจับเลยเหวี๋ยวเนี่ยมันก็เลยพุ่งเข้ามาเลยนะต้องการพิสูจน์ว่ามันแน่นะ พอพุ่งมาเกือบจะถึงแล้วนกมูลไถเนี่ก็หลบเข้าไปในในในลอยไถเดีย๋ยวเนี่ยมันพุ่งมาอย่างแรงด้วยความเร็วนะมันหยุดไม่ทันนะตัวมันก็เลยกระแทกกับพื้นดินตายเลยอันนี้พุทธเจ้าก็เล่านะเป็นเป็นนิทานเพื่อบอกว่าเนี่ยตาบใดที่นกมูลไถเนี่ยอยู่ในถิ่นของตัวเองเนี่ยหรืออยู่ในถิ่งของพ่อเนี่ยก็จะปลอดภยัยภิกษุก็เหมือนกันนะ ถ้าตาใจที่ยังอยู่ในถิ่งของพ่อเนี่ยก็จะปลอดภยัยเช่นเดียวกันปลอดภัยจากมาร น, นะมารก็จะมาทำร้ายไม่ได้และพระองค์ก็เฉลยว่าถิ่งนะของพ่อเนี่ยคือสติปัฏฐานสี่นะก็คือการมีสตินั่นเองนะมีสติแต่ไม่ใช่สติธรรมดานะอย่างที่เรามีสติที่คนทั่วไปมีนี่มันมันไม่พอที่จะรับมือกับมารได้นะมันต้องมีสติที่ทาให้รู้กาย นะเมื่อเคลื่อนไหวก็รู้กายนะเมื่อใจคิดนึกก็รู้ทันนะสติคนธรรมดาเนี่ยรู้กายไปเดินยังไงใจก็ลอยนะเดินไปใจก็ลอยกินข้าวไปใจก็ลอยนะบางทีนั่งฟังใจก็ลอยนะแต่ถ้าคนที่มีคนที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะกายทำอะไรใจก็รู้สึกนะเดินก็รู้สึกคือรู้ตัว กินก็รู้ตัวนะเวลาคู่ขาเหยียดขานะก็รู้ตัวเวลาเสริมสวมเสื้อผ้าหรือว่าครองจีวรก็รู้ตัวนะสะพายบาทก็รู้ตัวนะคือทำอะไรก็รู้ตัวหมดนะเมื่อกายเคลื่อนไหวใจก็รู้นะและเมื่อใจคิดนึกไปก็รู้ทันนะ ใจมันโกรธก็รู้ทันความโกรธใจมันเกลียก็รู้ทันความเกลียดใจเศร้าก็เห็นความเศร้านะอันนี้แหละนะที่จะทำให้อา่าจิตเนี่ยปลอดภัยนะปลอดภัยจากอันตรายของมารนะมาในที่นี้ก็คือตัวที่จะทำให้เราเนี่ยฮะหลงพลัดอยู่ในความทุกข์หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงนะทั้งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ได้ รู้ละกินเสียงที่พอใจก็ชวนให้ไม่เกิดกิเลสตัณหารู้ระกินเสียงที่ไม่พอใจก็ทําให้เกิดโทสะทําให้เกิดความโกรธทําให้เกิดความเครียดนะเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจให้อยู่ในนะในสติปัฏฐานสนีะ่นะนะรู้กายนะรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะรู้ธรรมนี่ก็ถ้ารู้จริงๆทะลุนะทั่วถึงนะก็ทําให้เกิดปัญญานะเกิดปัญญา จงกระทั่งไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่มีความยึดมั่นในขันทั้งห้าเรียกว่าเป็นอิสระจิตเป็นอิสระแต่ปัญญาที่เกิดจากสติปัฏฐานสี่นี่แหละนะที่จะทําให้ปลอดพ้นจากความทุกข์ได้นะเวลาป่วยนักก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนะเวลาแก่ก็แก่แต่กายใจก็ไม่ได้แก่ไปด้วยมีอะไรมากระทบจิตก็สงบได้นะเพราะว่า ปล่อยวางนะไม่ได้ยึดติดถือมากกับสิ่งใดมาด่ดาว่านะใครมาตาหนิตีเตียนก็ไม่ได้ทุกข์เพราะว่าไม่มีความยึดติดในตัวตนนะไม่มีตัวตนที่เป็นผู้ทุกข์ไม่มีตัวตนนะที่จะอ่เป็นผู้โกรธผู้เกลียดได้เรียกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยนะพะไม่มีตัวตนล้วก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างที่หลวงพ่อเขียนท่านสอนเอาไว้อันนี้แหละที่ทาให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริงชนิดที่ว่า ความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะมันทำได้แต่กายนะแต่ว่าใจนี่ก็เป็นปกติเนี่ยคือถิ่นที่อยู่ของใจนะที่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงอยากจะย้ำว่าเนี่ออกพรรษาแล้วเนี่ยนะก็อย่าให้เราออกจากธรรมนะอย่าให้ออกจากทานอย่าให้ออกจากศีลอย่าให้ออกจากความรู้สึกตัวนะอย่าให้ออกจากถิน่นนะที่ปลอดภัยนะคือสติปัฏฐานสี่นะตั้งใจนะ กายทำอะไรใจก็รับรู้รู้รู้รตัวนะใจคิดนึกปรุงแต่งอะไรไปก็รู้ทันนะแล้วก็จะเห็นเองนะว่าอ๋อกายกับใจนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะขันทั้งห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันไม่มีความยึดติดถือมั่นว่าเป็นอะไรต่อไปอะไรมากระทบกับขันก็ไม่ทุกนะอะไรมากระทบกับรูปนะก็ไม่ โปรดไม่เกลียดนะไม่โมโหท่านออกพรรษ า, าก็ขอให้เราตั้งใจนะว่าแม้จะแม้จะพรรษาจะผ่านไปแล้วนะแต่ว่าเราก็จะยังมั่นคงอยู่ในธรรมมั่นคงอยู่ในทานในศีลในภาวนาต่อไปนะแล้วก็ขออนุโมทนานะขอบคุณาชาวบ้านนะบ้านบ้านใหม่บ้านกุดงงนะแล้วก็บ้านวังแค่นะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ฟังที่นี่นะก็ต้องขอบคุณรถทั้งบ้านทาั้งฝ่ายด้วยนะที่ได้ช่วยอุปถังเ ล, เลี้ยงดูนะพระสงฆ์แม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมอ้ น, นี่รวมไปถึงญาติโยมอย่างที่อื่นด้วยนะเพราะว่าอ่าก็มาจากหลายทิศหลายทางตลอดพรรษาอี้ถ้าไม่ได้ความอุปถัมภ์ของญาติโยมที่กล่าวมา วัดป่าสุกโตก็คงจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูนะพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีนักปฏิบัตินะให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีกำลังในการปฏิบัติทำได้นะก็ขอให้ได้รับ อ, อ น, นิสงค์แห่งบุญที่ได้บําเพ็ญเอาไว้นะท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยผลให้ทุกท่านนะทั้งที่มาปฏิบัติในพรรษานี้แล้วก็ทั้งที่เป็นผู้อุปถากอุปถมัมภ์ สนับสนุนนะก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะปลอดภัยไกลทุกขให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจกนกระทั่งบังเกิดปัญญาสามารถพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญ